ยาซีเรียกเรื่องสลักแคมเรือเพื่องมดาบในอดีตที่เมืองชูมีชายคนหนึ่งนั่งเรือข้ามฟาเพื่อจะไปอีกฝั่งหนึ่ง ขณะที่เขานั่งอยู่บนเรือเขาเผลอตัวไม่ทันได้ระวังตัวดาบที่เขาพกอยู่ที่เอวจึงพลัดหล่นลงน้ําไปในเวลานั้นเรือได้แล่นไปอยู่ที่กลางแม่น้ําแล้วทันใดนั้นเขาก็รีบสลักเครื่องหมายไว้ที่แคมเรือตรงบริเวณที่ดาบของเขาหล่นลงไปในน้ําทันที ชายคนหนึ่งที่นั่งมาในเรือลำเดียวกับเขาเห็นเขา้าก็รู้สึกแปลกใจจึงเข้าไปถามเขาว่าท่านเหตุไฉนท่านจึงสลักเครื่องหมายไว้ตรงนี้ละ่ะเขามองหน้าชายคนนั้นแล้วตอบไปว่าข้าจำเป็นต้องสลักเครื่องหมายไว้ตรงนั้นเพราะว่าดาบของข้ามันหล่นลงไปตรงจุดที่ข้าทำเครื่องหมายไว้พอ ด, ดี แล้วท่านจะลงไปงมดาบของท่านตรงจุดที่ท่านทำเครื่องหมายไว้หรอชายคนเดิมถามเขาใช่เขาตอบท่านคิดดีแล้วหรือท่านแน่ใจหรือว่าดาบของท่านอยู่ตรงจุดที่ท่านทำเครื่องหมายไว้ชายคนนั้นถามเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยความแปลกใจเขาพยักหน้าแล้วตอบกลับไปว่า ข้ามั่นใจสักพักใหญ่เมื่อเรือเทียบฝั่งแล้วชายผู้นั้นมิรอช้ารีบกระโดดลงไปในน้ำตรงจุดที่เขาทำเครื่องหมายไวเพื่ ง, งมหาดาบแต่งมหาอย่างไรจนแล้วจนรอดก็ไม่พบดาบเล่มนั้นชายคนเดิมยังคงยืนอยู่มองดูการกระทำของเขาพลางหัวเราะไปด้วย เมื่อเขาเห็นดังนั้นจึงตะโกนถามชายคนที่ยืนอยู่ว่าท่นานหัวเราะค่าทำไมมีอะไรนะ่าหัวเราะมากนะักหรอก็จะไม่ให้ข้าหัวเราะเจ้าได้อย่างไรเจ้านี่มันโ ง, ง่จริงจริงดาบของเจ้ามันจมอยู่กลางแม่น้ำนูน่นแต่เจ้ากลับมางมดาบอยู่ตรงริมฝั่งตรงที่เจ้าทำเครื่องไม้ไว้บนเรือดาบของเจ้า มันจะหาได้เคลื่อนที่ตามเรือมาไหมฉะนั้นอ ก, การทำเครื่องไม้ไว้ที่แคมเรือของเจ้ามันจึงเป็นการกระทําที่โง่ขลาเบาปัญญาจริงๆเขาได้ฟังดังนั้นถึงกับอึง้งพูดอะไรไม่ออกอีกเลยเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าการแก้ไขปัญหาทุกอย่างจะต้องกระทําอย่างถูกจุด ทันท่วงทีและด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมมิฉะนั้นแล้วคงยากที่จะบรรลุผลได้ที่สำคัญควรรับฟังเสียงทักท้วงของคนรอบข้างด้วยไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมหากขืนดันทุรังแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ผิดๆต่อไปนอกจากจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้ว ยังเป็นการแสดงความโง่เขลาให้คนเขาหัวเราะย่อเอาอีกด้วย